เหมือนตกอยู่ในความมืดดังอยู่ในคันมานดาไม่สามารถมองเห็นอะไรอื่นเมื่อจดปลายผู้กันลงไปครั้งแรกก็เท่ากับได้เจาะความมืดให้แสงสว่างส่องเข้าไปได้และเมื่อตวัดผู้กันไปด้วยจิตอันแหลมคมเป็นสมาธิอยู่นั่นก็เป็นการพุ่งพลังจิตไปตามผู้กันนั้นโดยมีแสงสว่างและชาติในผู้กันเป็นสื่อนาพลังจิตไป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 จนแยกไม่ออกเมื่อใดเมื่อนั้นการบริกรรมก็กศักดิ์สิทธิ์นักปราชญ์ท่านเมึ่งจชื่อได้กล่าวไว้ว่าอันว่าอายุยืนหรืออายุสั้นหามีความแตกต่างกันไหมให้มันฝึกฝนตนเองไปจนกว่าจะถึงวันนั้นวันนั้นคือวันที่เราจะได้พบความจริงว่าใดใดในโลกนี้หามีความแตกต่างกันไหม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 จึงสามารถแยกแยะความหมายเลือกคุณค่าของสรรพสิ่งโดยคำสอนของผู้ใหญ่บ้างจิตดั้งเดิมเป็นชนั้นบ้างตอนนี้เองผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเด็กนั้นก็จะเริ่มมาให้ผลจึงได้เห็นความอายุสั้นบ้างอายุยืนบ้างความแตกต่างจึงบังเกิดขึ้นด้วยประการเหล่นี้ฉะนั้นถ้าเราไม่ให้ความแตกต่างระหว่างความรวยกับความจนความสุขกับความทุกข์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 ยกตัวอย่างให้ดูเด็กสองคนคนหนึ่งเกิดมาเป็นลูกคนรวยอีกคนเกิดมาเป็นลูกคนจนถ้าเด็กรวยคิดว่าตนเองวิเศษกว่าผู้อื่นเพราะความรวยกว่าคนอื่นแล้วใสยก็จะเกิดความลำพองถือเงินเป็นอำนาจบาดใหญ่เที่ยวระรานข่มเหงเอาแต่ใจตนเองส่วนลูกคนจนนั้นถ้าคิดว่าตนเองยากจนไม่มีเงินเหมือนลูกคนรวยก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่าใจ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 ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นคิดแต่จะช่วยเหลือเจือจานไปทั่วหน้าใช้เงินที่ตัวมีมากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีน้อยอาศัยความรวยที่ตนเองได้เปรียบผู้อื่นโดยสภาวธรรมมาเกื้อกูลผู้อื่นที่มีน้อยถึงกับขาดแคลนตามสภาวธรรมความเมตตาการุณาที่เกิดจากความรู้จริงในสภาวธรรมนี้ก็จะหล่อหลอมให้ช่องว่างระหว่างความรวยความจนนั่นปิดสนิท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 เราก็ไม่พวงถึงความตายตั้งหน้าประกอบกรรมดีไม่ใช่อยู่รอความตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งผู้ที่ไม่เชื่อว่าชะตาชีวิตได้ลิขิตมาให้อายุยืนก็จะไม่ทนงตนว่ายังมีชีวิตอยู่อีกยาวนานเกิดความประมาทเยดคร้านที่จะประกอบกรรมดีรัดวันระกันรุ่งเดิมสุราหานารีเล่นพาชีกีฬาบัรเผาพลาอชีวิตไปทุกวันทุกวัน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 ย่อมขึ้นอยู่ที่เราสา ม, มารถประกอบคุณงามความดีได้มากน้อยเท่าใดต่างหากเราการฝึกฝนตนเองให้รู้จักประกอบกรรมทำดีนั้นย่อมเป็นการสั่งสมบุญบารมีโดยแท้เราจะต้องมันสังเกตพฤติกรรมของเราเองมีสิ่งใดผิดพลาดก็พยายามแก้ไขเหมือนดังหมอที่พยายามรักษาคนไขใ้ให้หายจากโรคฉนั้นการสั่งสมบุญบารมี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 ก็จะสมปรานาเช่นนั้นพ่อนั้นแต่ก่อนมีชื่อว่าสุเยหายในวันนั้นพ่อเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเลี่ยวฝานเพราะพ่อรู้ซึ้งแล้วว่าการสร้างอนาคตน่าจะต้องเริ่มที่ตนเองไม่ใช่รอคอยโชคชะตา ม, มาผลักดันให้เป็นไปตามยถากรรมพ่อจะต้องหลุดพ้นจากความเป็นบุถุชนให้ได้ไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของคำพยากร์อีกต่อไป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 ไม่เคยต่อโลอต่อเทียงกับผู้ใดอีกเลยเมื่อการเลเวลาผ่านไปอีกหนึ่งปีพอได้โอกาสเข้าทำการสอบล่ายอีกครั้งคราวนี้ได้ที่หนึ่งพลิกความคาดหมายของท่านผู้เท่าคงที่พยากรณ์ไว้ว่าจะสอบได้ที่สามท่านว่าหลังจากสอบครั้งนี้แล้วต่อไปจะสอบไม่ได้อีกแต่เมื่อพ่อไปสอบก็สอบได้อีกเป็นอันว่า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 เวลาปกติก็ยังมีสติควบคุมตนเองได้ดีอยู่บางทีดื่มเหล้าเมาไมา้ความประพฤติดั้งเดิมก็กลับมามีบทบาทอีกคะแนนของกรรมดีถูกกรรมชั่วลบไปซิมากทำให้ต้องใช้เวลาเกือบสิบเ็ดปีคือตั้งแต่คริสตศักราช 1,569 จนคริสตศักราช 1,579 จึงสามารถรวบรวมการทำความดีได้ครบ 3,000 ครั้ง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 แม่เจ้าวงไว้ถึงสิบกว่าวงด้วยกันเพียงสองปีกว่าก็ทำได้ครบสามพันครั้งอีกครานี้พ่อนิมนต์พระเถระรูปก่นกอนมาทำพิธีอุทิศบุญกุศลที่บ้านเราเองและเริ่มตั้งจิตอธิษฐานขอให้สอบตำแหน่งจิ้นสือได้จะทำความดีให้ครบหนึ่งมื่นครั้งต่อมาอีกสามปีพ่อก็สอบได้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 ไม่ยอมสยบต่อคุนนางกลงชินดูแลความทุกข์สุขของรัษดรและขุนนางใหญ่น้อยยังไม่กลัวตายถ้ามีการช่อดราชบางหลวงมีการอาศัยหน้าที่หรืออิทธิพลก็กำทำเข็นกับชาวบ้านหรือคุนนางผู้น้อยแล้วใสแม่ผู้นั้นจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่โปรโดปรานของห้องเต้สักเพียงไรก็าตามท่านก็ไม่เกรงกลัว เป็นต้องนำหลักฐานทูลกล้าวถวายห้องเต้ให้ได้รับโทสานุโทษจงได้เมื่อทังนสินอายุขายแล้วจึงได้รับพระราชทานเกีธยรติยศอันสูงส่งได้รับสถาปนาเป็นที่ชิงเซียนกงหมายถึงผู้ที่กราบทูลด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจพออ่านชีวประวัติอันเกลอยเกียิของท่านแล้วประทับใจมากจึงถือเป็นตัวอย่างอันดีงามที่จะต้องปฏิบัติตามให้ได้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 ความดีหนึ่งหมื่นครั้งเมื่อใดจะทําสําเร็จได้แล้วพ่อก็ได้จะรับฟังในคืนวันนั้นจะว่าบังเอิญหรือไม่นะ้พอพ่อฝันเห็นเทวดาองค์หนึ่งพ่อจึงปรับทุกกับท่านถึงเรื่องที่แม่เจ้าวิต ก, กังวลท่านบอกกับพ่อว่าพ่อนั้นไม่รู้ตัวเลยพ่อได้ทําความดีครบหนึ่งหมื่นครั้งแล้วเพียงแต่ลดภาษีข้าวให้แกรัศดรทั้งหมด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 ก็เท่ากับกระทมหนึห่ง0มืนครั้งได้ทีเดียวการที่พ่อเห็นความทุกข์ยากของรัศดรหาทางแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาความสุขที่รัศดรทั้งอำเภอได้รับย่อมเป็นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่พ่อจึงเอาเงินเดือนของพ่อเดือนนั้นถวายแก่ท่านฟันอวีเทระเพื่อให้ทำอาหารมังสวิรัตถวายพระพิสุในวัดของท่านซึ่งมีประมาณหนึ่งมืนรูปและอุทิศกุศลกรรมทั้งมวล ไปตามที่อธิษฐานเอาไว้ท่านผู้เฒ่าคงเคยพยากรพ่อไว้ว่าพ่อจะมีอายุอยู่ได้ห้าสิบสามปีเท่านั้นพ่อก็มิได้อธิษฐานให้ตนเองมีอายุยืนยาวแต่อย่างใดแต่ปีนั้นพ่อก็ไม่เป็นไรอยู่มาจนบัดนี้พ่อมีอายุได้69้าปีแล้ว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 ทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วเป็นคำที่ท่านนักราชโบราณกล่าวกันต่อๆมาจนถึงบัดนี้ถ้าใครยังเชื่อว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่นอนแกไขไม่ได้แล้วไสแม่ผู้นั้นจะแสนฉลาดปราดเปลืองอย่างไรเขาก็ยังเป็นบุถุชนอยู่หาความก้าวหน้ามิได้เลยสำหรับตัวของลูกนั้นพ่อก็ยังไม่ทราบว่า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 ต้องประสบความยุ่งยากเดือดร้อนถ้าลูกไม่ตั้งตอนอยู่ในศีลในธรรมอยู่เสมอยามใดที่ลูกมีความเหลือเฟือเงินทองไหลมาเทมามีความสมบูรณ์ภูิสุขทุกประกา ร, ร, ก, ารก็อย่ายึดมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปอาจจะมีสักวันหนึ่งที่ลูกจะต้องตกระกรรมลําบากระหุกระเฮิร์นแม้ที่จะค้างกายสักคืนก็ทั้งยาก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 แต่ถ้าลูกมีความดีมากจริงๆแล้วอากุศลกรรมบางอย่างก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมไปคือกรรมตามไม่ทัน